ตอนที่16เขาจะจดจําเอาไว้ลินเซนขมวดคิ้วในเมื่อท่านหมอหลี่กล้ากล่าวเช่นนี้ย่อมต้องมั่นใจเต็ม10 ส, ส่วนและไม่ใช่เรื่องโกหกอย่างแน่นอนทุกอย่างคือความจริงเสียชิงจือเบิกตากว้างอย่างไม่อยากจะเชื่อเป็นไปได้อย่างไรยามนี้ลูกประคำสองสายในมือของลิงเซนกลับรู้สึกร้อนลวกมืออย่างยิ่งจะทิ้งก็ไม่ใช่จะถือไว้ก็ไม่เชิงถึงกับทําให้เขาลำบากใจแล้วแม้แต่สิ้นหวังเฟยที่ยืนอยู่ใกล้ๆ ก, ก็ยังแอบขยับถอยห่างออกไปสองก้าว ยี่ยัเห็นพวกเขากลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็อดหัวร้องไม่ได้อย่างไรกันเสื้อจืดกับหวางเฟยก็รู้จักกลัวด้วยหรือท่านยาของข้าสวนติดแกามานานถึงครึ่งปีเต็มยี่ย์เาชี้ไปยังท่านยาที่นอนพิงอยู่บนเตียงทุกคนต่างรู้ดีว่ายามนางยังสาวเคยควบมาออกศึกอง์อาจผึ่งพายแม้จะมีอายุมากขึ้นแต่ร่างกายก็ยังแข็งแรงมาโดยตลอด ทว่าเพียงครึ่งปีคนกลับสู้ผอมอ่อนแอถึงเพียงนี้ยามล้มป่วยถึงขั้นตรัสวาจาไม่ได้เห็นได้ชัดว่าลูก ป, ประคำหอมประหลาดจากซีวีมีฤทธิ์ร้ายแรงเพียงใดท่านปู่ผู้ไม่เคยโกรธเคืองใครง่ายๆก็ถึงกับหน้าดำคลำเครียดไอสิ่งนี้เกิดจะทําให้คนแก่อย่างข้าเสียชื่อเสียงยามเท่าเสียแล้วได้ฉบุนที่เยาวยาวพบเห็นได้ทันท่วงทีหากคู่ชีวิตของข้าเป็นอะไรไปต่อให้ต้องทุ่หมดทั้งจนกัวกรมข้าก็ขออยู่ร่วมโลกกับพวกเจ้าไม่ได้ ท่านปู่ผู้เป็นเหล่าหัวกองผู้นี้มีชื่อเสียงบารมีสูงส่งยามหนุ่มเคยสร้างผลงานทางทหารไว้อย่างเกงรงไกจแม้แต่จนสิ้น อ, องยังต้องไว้หน้าหลายส่วนคำกล่าวนี้จึงถือว่าหนักแน่นมากค่ะท่านปู่ไปร้องเรียนต่อหน้าฝ่าบาทจริงๆสิ้นอองเองก็คงต้องถูกลงทันเยี่ยเยลรีช่วยลูบหลังให้ท่านปู่จะเย็นลงทัญนยสวมติดกายทั้งกลางวันกลางคืนท่านปู่กับท่านย่าตัวติดกันประดุดเงาตามตัวย่อมได้รับผลกระทบไปด้วยพวกท่านอายุมากแล้ว หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเกรงว่าแม้แต่สิ้นอ๋องก็คงรับผิดชอบไม่ไหวสิ้นหวังเฟยสูดลมหายใจเข้าลึกจนตัวสั่นเท่านังย่อมรู้ดีถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้หลินเซินรีบเข้าไปประคองแต่กลับไม่กล้า ส, สบตาเยี่ยยอีกเสี่ยชิงจือขอบตาแดงกลับใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดหน้าพรางร้องให้โฮล้วนเป็นพระข่าไม่ดีเองเป็นพระข่าโงโหเขาข้าทําร้ายฮูหญินเท่าทัเยียงเกือบทำร้ายท่านาล้วนเป็นความผิดของข้าแต่ข้าเพียงแค่อยากให้หูหญินถ้ามีความสุขจริงๆ จึงได้เพียรพยายามเสาะหาไปทั่วจนได้พบลูกประคํานี้พอนางร้องให้สิ้นหวังเฟยก็ใจอ่อนทันใดนั้นก็ลืมเรื่องที่ตนเองเกิดจะพล่อยโดนหางเล่ไปด้วยรีบเอ่ยปากขอความเมตตาแทนหลานสาวทันทีข้าเชื่อว่าชิงจือไม่ได้มีเจตนาร้ายอย่างแน่นอนนี่เป็นเพียงความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจเมื่อครึ่งปีก่อนนางพยายามวิ่งวุ่นไปทั่วเพื่อให้ฮูหยินเท่าดีใจจนกระทั่งได้พบของขวัญที่เหมาะสม เยยวถึงกับหัวเราออกมาด้วยความโมโหลูกประคําหอมประหลาดจากซีวีที่ทําร้ายท่านปู่ท่านย่าของข้าจนย่ําแย่อย่างนับว่าเป็นของขวัญที่เหมาะสมอีกหรือเสี่ยชิงจือคุกเข่าลงดังตุ๊บขวาชายกระโปรงของเยี่ยวพลางอ้อนวอนที่เย่าข้าไม่รู้จริงๆว่าสิ่งนี้จะทําร้ายคนข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆเมื่อวานเท่าแก่ร้านเจิญเป่าใจก็บอกว่าลูกประคําหอมประหลาดจากซีวีหากสวมใส่เป็นเวลานานจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ท่านเองก็ยังได้ยินเลยนี่นาอีกอย่างข้ากับฮูหญินเท่าและจวนกัวกงก็ไม่มีความแค้นต่อกันข้าข้าไม่รู้จริงๆว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ชาติก่อนนางก็แ้งทําเป็นไร้เดียงสาและน่าสงสารเช่นนี้ทำให้หลินเซินเชื่อฟังนางทุกอย่างปกป้องนางโดยไม่สนผิดถูกนางเคยกลั่นแก ล, กล้งเยี่ยยามที่ตั้งคันอยู่กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่หลินเซินกลับทําเป็นมองไม่เห็นเลยสักนิดความแค้นใหม่และเก่าทับถมกันเยี่ยยาวสะบัดมือของนางออกด้วยความโกรธแค้น ตลอดคึ่งปีมานี้ร่างกายของท่านย่าแยา่ลงเรื่อยๆต้องกินยาไปเท่าไหร่ต้องทนทุกทรมานเพียงใดท่านปู่เองก็ได้รับผลกระทบทุกคนในจวนกัวกงต่างกังวลจนกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งหมดนี้เจ้าจะใช้คําว่าไม่รู้เพียงคําเดียวมาลบล้างได้หรือเสี้ยชิงจีน้ําตาคลอบ้าขุกเข่าอยู่บนพื้นจนปัญญาจะโต้แยง้งข้านับตั้งแต่ถูกรับเข้าจวนอองเมื่อสิบปีก่อนทุกคนต่างตามใจนางประดุจแก้วตาดวงใจนางเคยต้องขุกเข่าขอโทษใครที่ไหนกัน สิ้นหวังเฟยและหลินเซินเห็นแล้วก็ปวดใจยิ่งนักคนหนึ่งเข้าไปประคองนางขึ้นใหม่คนหนึ่งยืนขวางหน้าปกป้องนางไว้หลินเซินจ้องเขม็งไปที่เย่เยาพลางกล่าวอย่างมีเหตุผลชิงจือบอกแล้วว่านางไม่รู้ว่าสิ่งนี้มีอันตรายต่อหูหญินเท่าผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดตัวการที่แท้จริงไม่ใช่ชิงจือเย่เยาจิกเล็บลงในฝ่ามือจนเจ็บแปลบะเช่นนั้นท่านปู่ท่านย่าของข้าก็สมควรโดนแล้วอย่างนั้นหรือ ยา น, นี้ท่านย่ของข้านอนป่วยอยู่บนเตียงย่อมเป็นสิ่งที่เสียชิงจือผู้นี้ก่อขึ้นอย่างแท้จริงลินเซินโกรธ จ, จัดจริงๆรอบกายพลันแผ่ซ่านไปด้วยกลิ่นอายเยือกเย็นและสังหารข้าบอกแล้วไงว่าชิงจือไม่รู้อะไรเลยตัวการไม่ใช่นางแล้วข้าปรักปรำนางหรือทั้งสองประจันหน้ากันอย่างไม่มีใครยอมใครดวงตาหงของเย่เยาทอประกายคมปราบหางตาที่งดงามแดงระเรื่อ ด, ด้วยโทสะ นางรู้ดีว่าเพื่อปกป้องเซียชิงจือแล้วหลินเซินสามารถไร้สามันสํานึกได้ถึงเพียงไหนแต่วันนี้ไม่ว่าอย่างไรนางก็ต้องทวงความเป็นธรรมให้ท่านปู่ท่านย่าให้ได้ความอัดอั้นตันใจจากชาติที่แล้วนางจะไม่ยอมทนรับมันอีกแม้เพียงนิดเดียวบรรยากาศพลันตึงเครียดถึงขีดสุดคนอื่นๆต่างตกตะลึงในความกล้าหาญของเย่เยาต้องรู้ก่อนว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้านางคือหลินเซินซื่อจือแห่งจวนซินอ๋องยมทูตหน้าตายที่มีชื่อเสียงไปทั่วเมืองหลวง ขอเพียงใครทําให้เขาขุนเคืองเขาไม่เคยไว้หน้าใครทั้งสิ้นแม้แต่ต่อหน้าฝาบาทเขาก็ยังกล้าโต้แยง้งยี่ย่าเติบโตมาท่ามกลางความหรูหราหอมหวานมักจะอ่อนโยนและเบาบางอยู่เสมอแต่นางไปเอาความกล้าหาญที่น่าตกใจเช่นนี้มาจากที่ใดกันเมื่อเผชิญหน้ากับหลิงเซินนางนอกจัจะไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อยแล้วยังกล้าเผชิญหน้าท้าทายอย่างตรงไปตรงมาอีกด้วยหลิงเซินเองก็ประหลาดใจเช่นกัน ที่ผ่านมาเมื่อเขาโกรธจัดจริงๆก็ไม่มีใครกล้า ส, สบตาเขาอีกยิ่งไม่ต้องพูดถึงการโต้แย้งเขาเลยในดวงตาที่งดงามคู่นั้นกลับมีความเกรียดชังและโทสะที่ไม่มีที่มาที่ไปหลินเซินรู้สึกโกรธจริงๆเขาไปล่วงเกินนางตอนไหนกันถึงได้ดึงดูดความแค้นมหาศาลเช่นนี้มาจากนางด้วยความโกรธเขาจึงเงื้อมือขึ้นหมายจะคว้าลำคอระหงของนางที่ชายและพี่สะพายหน้าถอดสีกําลังจะก้าวเข้ามาแต่กลับถูกเยี่ยยยกมือห้ามไว้ นางยิงคงเชิดหน้าขึ้นเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากความสูงที่ราวกับภูเขาของลินเซิร์นพลางตัดกล้าวเอาสิหนึ่งศพสองชีวิตข้าก็เคยผ่านมาแล้วความตายสาหรับข้าจะนับเป็นอย่างไรข้าจะกลัวหรือมือของลินเซิร์นหยุดชะงักลงข้างลำคอหงของนางถูกสายตาที่คมปากของนางสะกดไว้ได้อย่างชะงักนางถึงกับยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเยียดยามและดูแคลน ซื่อจื่อฆ่าฆ่าเสียตอนนี้จะดีกว่ามิเช่นนั้นข้าจะไปร้องเรียนต่อหน้าฝ่าบาทให้ฝ่าบาททวงความเป็นธรรมให้จนกัวกงของพวกเราแต่หากฆ่าฆ่าที่เป็นบุตรสาวสายตรงของจนกัวกงซื่อจือรวมถึงจนสิ้นอ๋องก็คงต้องลงมาฝังรวมกับข้าด้วยคำกล่าวนี้สันประสาทสิ้นหวังเฟยได้สําเร็จหากเรื่องนี้ลุกลามไปถึงราชสํานักย่อมมีแต่ผลเสียต่อจนสิ้นอ๋องหลินเซินเองก็ย่อมรู้ดีมือที่ค้างอยู่ในอากาศสันเทาด้วยความโกรธเจ้าเขาอยากจะบีบขะนางให้ตายขมือจริงๆ ลำคอที่บอบบางเพียงนี้เขาแค่ออกแรงเพียงนิดเดียวก็หักได้โดยง่ายแต่ทว่านางกลับไม่เกรงกลัวเลยสักนิดจนเขาไม่อาจลงมือได้และไม่สามารถลงมือได้มีชีวิตมาหลายปีนี่เป็นครั้งแรกที่ลินเซิรนได้พบกับคู่ปรับที่แท้จริงช่างหน้าขันนักแม่นางน้อยที่บอบบางราวกับจะหักได้ง่ายๆกลับทำให้ซื่อจื่อแห่งจวนสิ้นอองผู้เกรงกจอย่างเขาจนปัญญาดีค่าจะจำไว้ลินเซิร์นถอนมือออกด้วยความแค้นสุดลมหายใจลึกเพื่อระงับความต้องการที่จะบีบขนาง พี่ชายและพี่สะพยรีบดึงเยี่ ย, ย, ยวยกลับมาปกป้องไว้ข้างหลังแต่เยี่ยวยกลับผลักพวกเขาออกแล้วก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งพวกเขาไม่สบายใจเยี่ ย, ย, ยวยเหลือบมองหลินเซิร์นพรางแค่นยิ้มเย็นที่ใหญ่พี่สะพยวางใจเถิดข้าไม่เป็นไรซื่อจื่อไม่กล้าฆ่าข่าหรอกลินเซิร์นถลึงตาใสทันทีดวงตาราวกับใบมีคมกริดกระหมัดแน่นจนกระดูกกลั่นกรอบๆแต่กลับทำอะไรนางไม่ได้เลยแม้แต่น้อย